อวัตถุมีผ้าเป็นต้นรับวัตถุตามที่กล่าวแล้วเดินไปใช่ไหมแล้วก็มีการปรนมมือแล้วก็พิจารณาอย่างไงเดินไปเพื่อจะบูชาถ้าจะให้เป็นศีลพิจารณาอย่างไรถ้าจะให้เป็นศีลเจตนาศีลเนี่ยให้เป็นจารีตศีลเป็นยังไงอะจารีตศีลเอทอทํำยังไง เอางี้ว่าบริพระพุทธภิกษุภิกษุนี้อุบาสกและอุบาสิกาใช่ไหมซึ่งเป็นบริษัทของพระบรมศ า, ศาสดามีการบูชาไหมมีการบูชาไหมเป็นวงเป็นตระกูลใช่ไหมเป็นข้อปฏิบัติเป็นแบบแผนไหมของวงตระกูลของเราบริษัทสใช่ไหมเป็นจารีสินไหมเออจารีศีล ก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็ถือไปในขณะนั้นใจต้องเป็นกุศลไหมกุศล น, น, นั่นแหละเพื่อจะอะไรไปอุปถากใช่ไหมเพื่อจะไปอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าไปปัดเช็ดถูไปบูชาตั้งน้ำฉันน้ำใช้เป็นประเพณีแล้วั้มไปดูแลก็เหมือนเราอุ ป, อปถากเนี่ย เราไม่มีโอกาสอุปถาพระศาสดาใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วอยู่ต่อนหน้าพระาธาตุดิ่แหละอยู่ต่อนหน้าต้นพระศรีมหาโพใช่ไหมไปทําวัดอุปถากทั้งหลายด้วยมือของตนเองด้วยเลี่ยวแรงของตนเองด้วยกําลังของตนเองนี่กายกรรมเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยศีลกุศลเป็นศีลกุศลก็ไปปฏิบัติเหมือนกับสิทธิ์ไปปฏิบัติอาจารย์ ลูกปฏิบัติพ่อแม่แต่นี้บริษัทสี่ไปปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้ายอมบวัดไปใช่ไหมวันที่เจ็ดกุมภาเนี่ยจะเดินทางไปนะก็ไปไปปฏิบัติพระบรมศาสดานอบน้อมไปประนมมือเข้าไปหาท่านแล้วก็ไปปัดไปกวาดเป็นวงตระกูลภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาศิกาจำได้ไหมพระอนนเนี่ย ทั้งๆที่พระบรมศาสดาปรินิพผ่านแล้วพระนนทก็ทำให้ดูแล้วไง เ, เดินทางจาลิกจากกุสินารามาสาวถีใช่ไหมพอมาถึงสาวถีพระนนก็เข้าไปที่พระคันกุดีที่เราจะไปบูชากันนั่นแหละพระนรนก็เปิดประตูออกร้องไห้เห็นใช่ไหมเตียงเก่าดอกไม้แห้งๆ ไม่มีคนเข้ามาบูชาแปลว่าหมดเลยในสาวถีในยะว่ามีเจ็ดโกดเจสิบล้านเนี่ยเป็นภาริยาสักห้าสิบล้านใช่ไหมไปไหนกันนูน่นคุสินารานูน่นใช่ไหมไม่มีคนเข้ามาเลยทุกคนใจจดใจจ่อที่ปริณิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระนน์ก็ไปปัดกวาดแล้วก็ร้องไห้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เวลานี้เป็นเวลาสงผลวรากายแล้วเวลานี้เป็นเวลาแห่งการเข้าเฝ้าใช่ไหมของภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทใช่ไหมเทวาบริษัทก็ตามลำดับคิดถึงเวลาเนี่เวลานี้เป็นเวลาแสดงธรรมเวลานี้เป็นเวลาเสด็จบินธบาท เวลานี้เป็นเวลาหลีกเล้นทำไปร้องไห้ไปไหมนั่นนะอุปถากแล้วผ้านนนก็ตั้งน้ำฉันน้ำใช้ตั้งประทีบโคมไฟประดุดดังภะาษาสดาอย่างดำรงพระชนอยู่แปลว่าอะไรทำให้เราบริษัทได้ดูว่านี่เป็นวงเป็นวงของเราเวลาไปแล้วก็ต้องไปอุปถากน้อมจิตด้ศรัทธา ว่าเราได้ดูแลพระาศาสดาแล้วพระาศาสดาประทับอยู่โดยฐานะอะไรฐานะพระธรรมไงใช่ไหมพระธรรมเป็นพระาศาสดาสถานนี้พระสถานที่ตรงนี้รู ป, ปรกายของพระาศาสดาประทับนั่งใช่ไหมพระธาตุทั้งหลายที่เราบูชาสถานที่ ที่เรานะสถานที่ประสูสถานที่ตัดสรุ้สถานที่แสดงธรรมจักรให้เป็นไปสถานที่สเสด็จ ด, ดับขันท บ, บรินิพานสถานที่บริโภคใช้สอยพุทธเจดีทั้งหลายบริโภคเจเดอุเทศกาเจดีจักเป็นาศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราแล้วก็กล่าวไว้ในไหนกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกแปดห0สพันพระธรรมขันธ์ไงพระาศาสดาอนุญาตไว้อย่างนี้ใช่มนั่นแหละคือาศาสดา เราไปอุปถากศาสดาของเราไงเป็นตระกูลเป็นวงของเราเราใช่ไหมพระาศาสดาฝากไว้แล้วก็ไปทําสิอันนี้เป็นศีลไหมนะทําด้วยกายเป็นกายกรรมที่เป็นศีลบอกท่านทั้งหลายอุปถากพระศาสด า, า, าร่วมกันเราทั้งหลายอยู่แดนไกลได้มีโอกาสมาเข้าเฝ้าพระาศาสดาในวันนี้ได้มาอุปถากได้มาเช็ดปัดกวาดพระคันตะกูดีของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เป็นวงของพวกเราเนอะ เราอยู่ในฐานะเป็นภิกษุบริษัทภิกษุณีหมดไปแล้วเหลือสมณเณรเลืออุบาสกและอุบาสิกาแล้ อ, อุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งสิสทธินีสีคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระาศาสดาเป็นบุญญราบของเราเราได้มาอุปถาพระาศาสดานานนานที่พวกเราประม า, า, น า, นนานทเผลอเลยเยอะเระาไม่ได้มาอุปถากพระผู้มีพระภาคออเจ้านั้นแล้วอย่างเงี้ยวัจจีกรรมเป็นอะไรเป็นศีล วจีกรรมเป็นศีลนี่ไหมศีลกุศลเป็นเจตนาไหมเป็นข้อวัดปฏิบัติที่สาวกพึงปฏิบัติต่อพระศาสดาไงพึงปฏิบัติตั้งน้ำฉันน้ำใช้บูชาทำให้ปณีดน้อมสการะที่บูชาเป็นทานแล้วก็ปฏิบัติอุปถาเป็นศีลใช่ไเช็ดเท้าตั้งน้ำฉันน้าใช้ดูแล หุดประทีปโคมไฟบูชาท่านนอบนอบ้อมประนมมือไม่ทํากายกรรมไม่ทําวิจิกรรมไม่เคลื่อนไหวน้อมว่าเราวันนี้เราจักน้อมในการที่จะปฏิบัติบูชาพระศาสดาเป็นข้อวัดปฏิบัติที่พุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาศิกาพึงปฏิบัติต่อบรมศาสดาของตนเองใช่ไหมพิจารณาในลกักษณะเนี้ย นั่นแหละเจตนาที่เกิดขึ้นร่วมกับมหากุศลจิตุบาทนั้นถ้าเป็นปีถ้าเป็นยานสัมปยุตเป็นโสมนัสเป็นอสังขารีเข้าอีกเป็นโสมนัสปาโมตปิติก็เกิดเราได้มีโอกาสอุปถากศ า, าสดาของเราก็เป็นน้อมกันแบบนี้เวลาไปน้อมระลึกก่อนให้เห็นต่างคนเวลานั่นไปก็เข้าไปปัดกวาดเช็ดถูมีเวลาอุปถากพระศาสดาทําศีล ก, กุศลเจตนาให้ตั้งขึ้น ทั้งมโนกรรมกายกรรมแล้วว่าจีกรรมดีไหมทำให้ยาวๆอ่ะทาให้เกิดยาวๆอ่ะเอาไปกันทั้งหลายครั้งไม่ทำแบบนี้หรือ ต, ต้องทำให้เต็มที่สิอุตสาหไปแล้วไปแล้วตั้งหลักกันไปแล้วไปน้อมสการะกันจริงๆถ้าไม่เข้าใจก็ต้องไปทำความเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าไป ทำความเข้าใจก่อนก่อนที่จะเดินกันเข้าไปเนี่ยไม่ใช่รึบๆเข้าไปต่างคนแย่งชิงกันอะไรเนี่ยไม่หมอเราจะไปเฝ้าพระศาสดานี่ก็ตั้งท่าตั้งหลักให้ดูดีเข้าไปคนเข้าไปเฝ้าพระศาสดาเขาทำอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้ดีไหมหมออายอมมะลิวันตั้งหลักไปอย่างนี้หรือเปล่าเอออย่าลืมตั้งหลักไปอย่างนี้นะ แล้วก็เนี่ยยอมวารวัตเข้าไปก็สะ ก, กิจบอกว่านี่นีที่ฟังฟมาแล้วไม่ทำไม่ต้องไปทไําไปทำใช่ไหมที่ต้องตั้งหลักอย่างนี้เขาทํากันอย่างนี้เป็นวงเป็นตระกูลเป็นของเก่ามีมานานใช่ไหมทำอย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ใช่ไหมก็สอนอย่างนี้แหละหมอ ก็ให้วงตระกูลให้บริษัทของท่านท่านตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยบริษัทของท่านต้องเคารพท่านดิต้องบูชาท่านต้องเคารพตรงนี้ไม่ใช่ไปแล้วก็ไม่มีวิธีคิดไม่มีข้อมูลไม่ได้วิจัยเจาะลงไปแบบนี้ท่านถึงใช้คาว่าพุทธคาลาวตาพุทธคาลาวตาก็แปลว่า ประดุดดังนั่งอยู่ต่อหน้าพระศ า, าสดาของตนใช่ไหมไม่ทำอากับกิริยาโดยการอคคารวะคือไม่ไม่เคารบต้องเคารบศาสดาของตนก็พระศาสดาของตนเองประทับอยู่โดยฐานะแห่งพระธรรมแป0 0มืนี่พันพระธรรมขันธ์ณสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ปรากฏจริงด้วยว่าพระศาสดาประทับนั่นแหละคือพระศาสดา ของเธอทั้งหลายหลังการล่วงไปแห่งเรานี่ก็ย้ำตรงนี้ให้ชัดเราจะได้เห็นพระศ า, าสดาเนี่ยประทับในใจแล้วก็ไปอุปถากไปดูแลถ้าทาอย่างนี้เนี่ยจะได้จะได้ความมั่นคงอยอมพิจยาไปมา ก, กี่ครั้งแล้วทำแบบนี้ไหมกลับไปทำใหม่แต่เนี่ยนะกลับไปทำเพราะจะได้ไปอุปถักพระศ า, าสดาของตนใช่ไหมไม่ใช่รีบไปรีบกลับ ต้องเป็นนั่งใข้ควนกันอย่างเงี้ยเป็นนั่งใข้ควนนะบแต่แต่ในกรณีเนี่ยนะถ้าทุกวันนี้มันมีถูกบีบด้วยด้วยจำกัดด้วยระยะเวลาด้วยเหตุการณ์อะไรมาแทรกหมดโอกาสเข้าเฝ้าพระศ า, าสดาของตอนเองก็เลยหายไปหายไปเยอะแยะหมดเนี้ยนะตอนมาไปเนี่ย ไปที่ว่าไปแบบประเภทที่ไม่ต้องมีพันธะอะไรต่างๆเนี่ยเอามาก็ทำแบบนี้ไปเสร็จก็ก็ทำก็สาธยายอยู่กันคนสองคนใช่ไหมว่าไปแล้วก็บอกที่ทำอย่างนี้เขาก็ยังไม่เข้าใจอีกแล้วก็โอ้โหทำไมยากจังนี่ <c oughs> เขาไม่รู้วภาษาสดาประทับอยู่เขาไม่เข้าใจใช่ไหมเราไม่รู้จะไปบอกใครนะใช่ไหม <c oughs> บอกยากไหมคือเขาไม่เคยทํากันน่ะเขาไม่เคยทําเคยไม่เข้าใจเนี่ยถ้าพระก็ไปทำใช่ไหมบางองค์เขก็ไม่ไม่ไม่บางองค์เขาก็ไม่ได้คิดมุมมุมให้ให้ให้ลึกว่าจริงๆเป็นต้องต้องอย่างนี้หมอทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ผิดไหมเนี่ยก็ข้อเท็จจริงไปไปดูในไปดูในคารวตาเจ็ดประการนี่ ดูในคารวต า, าะคารวธรรม6ไอเจ็ประการีิอย่างนี้เลยนะแค่นั้นในขณะที่ปารบในลักษณะนั้นนั่นแหละเขาเรียกศีลกุศลนะเกิดจากการประการจำแนกโดยก็นกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมนี่นะเขาจำแนกในลักษณะอย่างนี้ ทีนี้กรณีของการจําแนกในกรณีที่กายกรรมที่เป็นทานภาวนากุศลวิจีกรรมที่เป็นภาวนากุศลแล้วก็มโนกรรมที่เป็นภาวนากุศลตรงนี้ก็จะกล่าวแบบย่อๆเขาไว้เพื่อให้เป็นปัจจัยในการที่จะไปใคร่ควรหรือไปนึกคิดใช่ไหมทานกุศลศีลกุศลเนี่พอจะเห็นมุมไหมพอจะเห็นไหมเมื่อวานนี้ได้พูดถึงในเรื่องของคําว่าศีลที่เป็นมหาทาน ถ้าศีลที่เป็นมหาทานเนี่ยถ้าหากเราฝึกในด้านของทา น, นากุศลเนี่ยจนแข็งแรงแล้วจนแข็งแรงแล้วเนี่ยทีนี้จาจะฝึกศีลกุศลในลักษณะที่จะให้เป็นในกรณีที่ว่าเป็นที่ว่าเอา้าเนี่ยนั่งนั่งกันอยู่เนี่ยยอมวรวัตถ้ามองมาที่ยอมยิงการเนี่ย ยมวรวาดจะให้มหาทานข้อแรกคือการงดเว้นจากการปานาติบาตพิตุนให้เกิดขึ้นอา้าวลองวายฟังทำยังไงนะคำว่าคำว่าทานเนี่ยท่านขับเน้นตัวเจตนาใช่ไหมเจตนาเนี่ยเจตนาเจตนาไอตัววิรตีเนี่ยนะ วิรตีเนี่ยเขาทํากิจในการตัดรอนเวและเจตนาอากุศลนั้นเจตนาที่เป็นไปกับโลภะเจตนาที่เป็นไปกับโทสะเจตนาที่เป็นไปกับโมหะใช่ไหมแต่ขับนี้ที่เจตนาในโทสะการคิดเบียดเบียนการโกรธถามว่ารูปประขันเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณตาหูจมูกลิ่นกายใจที่นั่งประชุมฟังธรรมกันอยู่เนี่ยเป็นที่ตั้งของโทสะได้ไหมหมอได้ใช่ไหม อันนี้เริ่มแล้วนะถ้าเป็นที่ตั้งของโทสะได้การคิดเบียดเบียนต้องมีได้แน่นอนใช่ไหมแล้วเป็นอุปนิสยาปจจัยแกการฆ่าได้ด้วยเนยะอย่าลืมนะใช่ไหมคนเราที่เขาฆ่ากันประทุศร้ายตัดรอนชีวิตกันก็ไอ้เจ้าโทสะนี่แหละที่มีโมหะปิดกั้นนี่แหละแต่เราไม่เห็นโทษเรานี่มักจะปล่อยให้โทสะมันลุกลามกันหนึ่งใช่ไหม การจะตัดรอนโทสะที่ที่มันจะได้กําลังเสียเพราะในอดีตถามว่าเราเคยฆ่ากันมาไหมเนี่ยเคยเป็นมิตรกันมาไหมเนี่ยเห็นไหมเคยเป็นทั้งศัตรูและมิตรกันมาแล้วเป็นทั้งกาลยานมิตรและปาประมิตรกันมาแล้วฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยนะว่าบาปอากุศล น, นะบาปเก่าทุจริยฤเก่าอากุศลกรรมเก่ามันยังมีกําลังอยู่นะ มีไม่มีมีแน่นอนฉะนั้นบาปเก่าทุจริตเก่าอาักษรกรรมเก่ามันยังมีกำลังอยู่มันเป็นอุปนิสัยปัจจัยมีโอกาสที่จะทำให้ได้จังหวะและโอกาสเมื่อไหร่แล้วก็ประทุสลายชีวิตของบุคคลคนนี้แน่นอนเห็นไหมที่พระท่านไปพิจารณาแล้วต่อมาท่านะลึกชาติได้ว่าหญิงผู้นี้เคยฆ่าตนเองตั้งเป็น90อัตภาพ99อัตภาพ จนขนลุกค้นชันโนอยู่ไม่ไหวแล้วเรามาอยู่ก็แม้กาลังเนี่ยแม้อุปถากเราเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยที่ไหนได้ทําลายชีวิตเรามาตั้งร้อยเกอัตภาพแล้วเออตั้งเกบเก้าอัตภาพตัดศรีรษนเรามาเนี่ยเราทําไมต้องมาอยู่ให้เธอเนี่ยอุปถากทุกวันอย่างนี้ล่ะไม่ไหวแล้วทําใจไม่ได้อย่างเนี้เนี่ย น, นี่ไงคือสังสารวัตรเป็นแบบนี้แหละมันเป็นอย่างนี้โยม ถ้าระลึกได้ตอนเป็นบริชชนนี่น่าจะเดินหนีกันเลยถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมบอกว่าเขาดีนะเนี่ยคนคนนี้ดีคนไม่รู้อย่างเรารู้มันจะต้องพูดคำนี้เลยรใช่ไหมใช่ก็เรารู้เนี่ยท่านพวกนี้เอางี้ถ้ารู้ว่านะคนที่เป็นสามีหรือเป็นภรรยาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดไประลึกได้สักสิบชาตินะเกิดจากกุศลกรรมมาหนุนเนื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ บอกโอ้ทํทำลายอัจภาพเรามาสิบชาติแล้วยังจะรักเหมือนเดิมมัมยองต้ยั ง, ง, ย, งยังจะรักเหมือนเดิมไหมไม่มองหน้าเราแหวงไหมถามจริงจะต้องเราแวงไหมอเอจะเล่นเราไม่ไหร่เนี่ยใช่ั้ย <c oughs> เพราะโกรธเราอยู่เรื่อยเลยนะ่เอาสิโกรธแรงด้วยนี่ชอบกดนี่นอนย่นไม่ค่อยหลับเลยใช่ั้ยนี่เป็นอย่างเงี้ย ฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็นี่ไงมหาทานยิงสำคัญข้อแรกมหาทานยึงสำคัญข้อแรกฉะนั้นต้องตั้งบุคคลที่เนี่ยเราจะให้ความปลอดภัยเราจะไม่โกรธในรูปประขันธ์เวทนาสัญญาสังขารในในชีในบุคคลคนนี้เราจะไม่ตัดรอนรูปประชีวิตนามาชีวิตของท่านผู้นี้ รูปประชีวิตและนามประวิตของท่านเหล่านี้มาจากชนศกรรมที่เป็นกุศลในอดีตให้ผลในการสืบต่อในพบนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะไม่ทําให้รูปประชีวิตนามประวิตของท่านวันี้ตกไปก่อนก่อนก่อนเดี๋ยวไมเร็วเร็วพลันก่อนกําหนดเวลาอันควรของกุศลกรรมนั้นจะให้ผลนะแล้วก็น้องไม่เขามีมีความปลอดภัยด้วยเห็น ไ, ไหม ให้เขามีชีวิตอยู่เยืนยาวให้เขาประสบความสุขด้วยน้อมให้ได้ไหมถามว่าถ้าเราตัดรอนชีวิตนะข้องโยมกิ่งการหนึ่งชีวิตเนี่ยถามบอกว่าเราเบียดเบียน er คนกี่ชีวิตไดมไหมเราเบียดเบียน er คนกี่ชีวิตแต่ถ้าเราน้อมให้อภัยน้อมในการไม่ตัดรอนหนึ่งชีวิตเนี่ยถามว่าเราให้ความไม่มีเวร้ไหให้ความปลอดภัยแก่กี่ชีวิต และทุกๆชีวิตนั้นก็มีบุตรมีหลานมีญาติมีมิตรสรุปก็คือว่าเอาหนึ่งบุคคลเนี่ยเป็นพยานแก่คนทั้งโลกมันกระเทือนกันไปถึงอย่างนั้นแหละเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกันไม่มีเลยใช่ไหมทั้งเทวดาทั้งทุกชั้นและจนถึพรหมใช่ไหมนี่ไงให้ความปลอดภัยในชีวิตการน้อมจิตในการที่ให้แบบนี้อันนี้เป็นมหาทานไหมเขาเรียกให้ไหมเนี่ย เนี่ยชื่อว่าให้แล้วเจตนาให้แล้วให้ชีวิตไงให้ความปลอดภัยไงให้ความไม่มีเวรไงให้ความไม่มีภัยไงยังหาประมาณไม่ได้ไหมหาประมาณไม่ได้จริงๆ รเล ย, ลเ ย, ยนลยคับประเด็นก็คือว่าก <c oughs> ารแผ่เมตตาเน่ยถูกแล้วแต่ประเด็นก็คือเราให้อะไรให้อะไระให้ชีวิตเราให้ชีวิตให้ชีวิตได้เป็นหมหาทานข้อแรกให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเป็นหมหาทานข้อที่สองจงอย่าได้วิบัติในทรัพย์สินจงมีทรัพย์สินเพิ่มพูนในการที่จะเห็นไหมในการที่จะเดินกุศลเป็นต้น ไปเนเป็นต้นเนี่ยนี่คือให้ให้มหาทานข้อที่สองชื่อว่าเราเนี่ยมีส่วนได้ทั้งหมดหรือ้ปาเขาเรียกบุญการให้แบบเนี้ยการให้ความไม่มีเวรไม่มีภยัยให้ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินให้ความไม่แตกแยกในชีวิตคู่ของครอบครัวเป็นต้นเหล่าเนี้ยชื่อว่าอย่างนั้นแหละกรรมเหล่านั้นแหละมันสะท้อนมันทําให้ เจตนากรรมที่เราฝังเข้าไปปริมาณเม็ดบุญเม็ดกุศลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือสรุปแล้วว่าเป็นโรงงานแห่งการผลิตศีลกุศลของมหาทานว่างั้นเป็นโรงงานแห่งการผลิตมหาทานทีนี้ระดับทานในกุศลนี่เป็นทานใช่ไหมเป็นทานแต่ถ้าระดับให้ชีวิตเป็นต้นเป็นทานเนี่เป็นมหาทานใช่ไ้มแสดงให้เห็นชัดว่าโรงงานใหญ่ขึ้นเม็ดของกุศลนั้นนะแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นอันนี้สภาพจิตถูกปรุงขึ้นไหม ถูกประดับขึ้นไหมถูกตกแต่งขึ้นไหมถูกฝึกขึ้นไหมเริ่มภาวนาเริ่มเดินขึ้นไหมนี่แหละคือความชัดเจนเริ่มแข็งแรงขึ้นแต่คนเดินกันไม่ค่อยได้ตรงเนี้ยเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุดมันติดขัดเพราะเพราะการเจริญกุศลลักษณะอย่างนี้เราไม่ค่อยได้ทำหนึ่งชีวิตเนี่ยกระทบกับหลายชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ชิดเนี่ย แล้วเราไม่ยา้คิดถึงคนเดียวที่ไหนใครอะไรที่เป็นอา ร, รมณะปัจจัยแก่กระแสะจิตของเราอย่างี้เป็นต้นนี่ไงเป็นมหาทานใช่หัหยให้ให้คำสัตว์คำจริงใช่ั้ยให้คำสัตว์คำจริงให้ความสามคัคคีใช่ั้ยให้ความสามคัคคีให้ความไม่แตกแยกใช่ไ้ย ให้คำให้วาจาไพเราะอ่อนหวานให้อัตธรรมะเห็นไหคืออย่างเงี้ยมันจะชัดเจนเช่นเราไปเกี่ยวข้องกับท่านพวกนี้คำพูดก็คือว่าเราจะไม่ให้เราจะไม่ให้คำเท็จเราให้เน้นน่ะเป็นหมาทานเนะเราให้คำจริงเห็นไหมเราจะให้คำจริงเราจะให้คำสามหมักสมานสามคีไหมพูดให้กลมเกลียวพูดให้สามะคีพูดให้มีการเอื้ออาทรกัน แล้วก็จะให้คำวาจาพเพลาะจะไม่ให้คำหยาบแล้วก็จะให้คำที่เป็นอัถาธรรมะก็คือสนธนาก็สนทนาเรื่องธรรมธรรมะจะไม่สนทนาในเรื่องของการไล้สาระที่เป็นมหาทานหมดไหมในข้อมุสาวาตเป็นต้นแล้วก็ให้ความไม่ประมาทให้ความไม่ประมาทเพื่อจะได้ไม่กระทบศีลทุกข้อด้วยการที่บอกว่าสติสัมปชัญญะเราต้องดี ไม่เอาของต่างๆมึนเมาต่างๆไปใส่ขึ้นด้วยใช่ไหมและเราก็ให้ใไหมเราก็ให้ให้ความไม่ประมาทเป็นต้นเหล่านี้ไปได้หมดเลยแล้วก็ให้ความไม่โลภด้วยไหมเมื่อเจอบุคคลคนนี้ไม่โลภไงไม่ต้องการไม่อยากได้ไม่คิดที่ว่าจะยึดติดวัตถุสิ่งของแล้วก็ไม่โกรธใช่ไหมแล้วก็ไม่เห็นผิดเข้าใจกรรมและผลของกรรมว่าท่านบุญนี้กําลังทํากรรมอะไรผลของกรรมอะไรเป็นต้ น, นี้ ถ้ามีความเข้าใจายอย่างนี้กุศลกรรมบวชสิบนั่นแหละคือการให้ใช่ไหมให้อะไรให้กุศลกรรมบทชสิบเป็นมหาทานไหมนี่เรามหาทานจะหมุนเป็นไบลักษณะอย่างนี้ยากไหมเอาใครลองช่วยเดินหน่อยทีตอนนี้ที่จริงการมองในมุมลักษณะอย่างนี้การใครควรการเจริญกุศลลักษณะอย่างนี้ ชาวพุทธในยุคปัจจุบันทั้งๆ ท, ท, ที่มีอยู่ในคำสอนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเอามาใช้กันแต่แล้วใครเห็นคนใช้แบบนี้ไหมหมอขาดท้ายไป ท, ที่จริงเราการขาดการสือ่อขาดการทำขาดการเชิญชว น, นกันให้ให้ใหครควรแบบนี้ถ้าทำอย่างนี้เป็นสายยึดโยงตั้งนานแล้วนะสายยึดโยงตั้งนานแล้วนะกุศลก็เดินตลอดเป็นมหาทานด้วยฉะนั้นที่ว่าจะไม่ให้ก่อนน่ใช่ไถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่ได้ปลารบทานในกุศลก็เพราะว่า ไม่มีผู้รับจริงๆเนี่ยแต่ไม่ใช่อยู่ๆโอ้ยโดยโดเอาทานกุศลระดับมหาทานเลยก็ได้ทั้งๆที่ทานเบื้องต้นยังไม่ได้ใคร่ครวนยังไม่ได้สละยังไม่ได้ฝึกมาเลยเนี่ยขึ้นก็อยากตกแปะไปแปะอย่างนี้นเลยนะตกล้มเอาต่อไปเดี๋ยวภาวนากุศลสักนิดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วเอากายกรรมในขณะที่รับวัตถุนะรับดอกไม้ เพื่อจะไปบูชาพระรัตนตรยัยบูชาพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยนะแล้วก็เดินรอบเดินไปด้วยเดินรอบพระเจดีย์เป็นต้นด้วยเนะี่ยและในขณะเดียวกันจิตก็ระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นน่น้อมระลึกจิตก็ตั้งมั่นหรือยืนนิ่งในกรณีอย่างเงี้ยนะเดินไปด้วยก็จิตตั้งมั่นเห็นนะเดินก็ไปหาพระเจดีย์เป็นต้นะ น, นี้ประนมมือ เดินช้าๆไปเป็นเพื่นไปตามลําดับเนี่ยนะแล้วลึกจิตเป็นสมาธิเนาะไปเงี้ยดักเงี้ยนั่นสมาธิกุศลเริ่มจะตั้งขึ้นนะแต่ถ้าเดินไปแล้วเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปสิเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปนะบ่กโหดอกไม้ที่นํามาแต่ทีแรกก็งดงามเนาะมาตอนนี้ใช้เวลา น, านานขึ้นนานขึ้นเริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะเหี่ยวลงมาหน่อยแล้วเนี่ย เห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของดอกไม้เป็นต้นนะหรือเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของการเดินเป็นต้นอะไรเนี้ยแท้ที่จริงก็ต้องเข้าใจที่มุมที่กล่าวมาเมื่อวานนี้นะในเรื่องของกรรมผลของกรรมอะไรต่างให้ชัดนะเนี่ยทั้วัตูุทานก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาใช่ไหมแม้แต่รูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญ, ญาณของผู้ที่ไปสักการะไปบูชาทั้งหลายนั้นก็มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นต้นเหไรเนี้ กายกรรมในขณะรับไปเป็นต้นเป็นต้นก็ในเสื่อมไปสิ้นไปอันนี้กายากรรมก็เป็นภาวนากุศลแล้วทีนี้ในขณะตั้งการพิจารณาวาจาในการเปล่งกล่าวไปนีวาจาที่มีการสวดมนเปล่งกล่าวไปก็เสื่อมไปสิ้นไปเนี่ยวาจาเหล่านั้นก็เป็นภาวนากุศลไปหรือไม่ทํากายวาจายเคลื่อนไหวพิจารณาเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปหลังจากมีการเดินการสวดมนตเป็นต้นเหล่านี้อย่างนั้นมโนกรรมก็เปลี่ยนไป ในการที่จะเป็นภาวนากุศลไปนี่เป็ น, ปนไปงเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมละลงเอต่อไปให้เราท่านทั้งหลายลองสอบถามรายละเอียดที่สอบถามได้ไเหลือเวลายเยอะเลยในการที่จะจะให้ทานเนี่ยนะครับการให้ทานแบบชนิดที่ว่าให้ไปอย่างสมมติว่าจะให้ธรรมะเป็นทาน ในการพิจารณาถึงว่าบุคคลที่พูดรับตรงนี้เนี่ยบางทีเราจะมีความสึกว่าโอ้ี่เขา เ, ข า, เขาไม่สามารถจะรับได้คือเราไปคิดเองะครับหรือว่าคนนี้รับไปแล้วนี่คงคไม่ได้ไม่ได้ไปไป่านหรือว่าไม่ได้ค อ, อย่างนี้หมอให้ทาหน้าที่ก็แล้วกันนี่คืออย่างี้ว่าหมอต้องเห็นอา น, นิสงค์ของธรรมทานนะถ้าไม่เห็นทไม่เห็นอา น, นิสง์ธรรมทานเราจะไม่ค่อยอยากแนะนำใครใจจะขาดการุณา อันที่สงก็คือว่าหมอคิดดูว่าหมอแนะนาคนให้ทา น, นเมื่อเขาไปให้ทา น, นการการที่เขาไปให้นั้นหมอมีส่วนได้ด้วยแนะนำเขาไปฟังทำใช่ไหมเมื่อเขาได้ไปฟังเสร็จใช่ไหมสภาพบุญที่เขาทำมันเกิดจากการที่เราได้บอกได้กล่าวไปเนี่ยบุญนั้นเรามีส่วนได้ด้วยเนาะฉะนั้นตรงนั้นแหละคาว่าธรรมทานชนะการให้นชนะการให้เนี่ย ก็หมายความบอกว่าผู้มีส่วนในการให้ธรรมทานอย่างนี้จัดให้มีการฟังธรรมคนที่จัดกิจกรรมนี้บ่อยๆกุศลน่ยมันไหลใช่ไหมเชื่อว่าเขาให้ทั้งหมดแล้วนนเนี่ยจัดกิจกรรมมีการฟังธรรมสาธยายพระธรรมต่างๆเหล่าเนี้ยนีเ่เขาคิดให้ทุกอย่างนลยเนี่ยแปลว่าเมื่อนั่นเบีเสร็จแล้วก็มีการให้ทุกอย่างด้วยและแต่จริงๆนั่นแหละเมื่อเขาเข้าใจพระธรม ร, รมเบีเสร็จเนี่ย เขาไปทําทุกอย่างทั้งทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนั่นชื่อว่าเขาให้ให้ทุกอย่างใช่ไหมการให้ธรรมทานในชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมจนเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นกรณีเหตงการที่เขาจะมารู้ว่าอริยสัจเป็นยังไงอะไรเป็นต้นเหล่านี้นะสีทานกุศลเป็นยังไงศีลกุศลเป็นยังไงภาวนากุศลเป็นยังไงเนะี่ยไปจากธรรมทานทั้งนั้น การที่เขาจะมีการที่ว่าเดินวิถีชีวิตถูกในการที่จะเดินตามรอยบาทของพระศ า, าสดาเนี่ยฉะนั้นธรรมทานเนี่ยเป็นเลิอจริงๆถ้าเราเข้าใจเนี่ยเป้าหมายตรงนี้ชัดเนี่ยเราก็มีจิตน้อมปรารถนาจะสื่อแล้วก็จะบอกฉะนั้นบริษัทของพระผู้เป็นภาคเจ้านั้นจึงไม่ใช่เฉพาะตนนี่ไหมเมื่อเข้าใจมุมนี้เบ็ยดเสร็จก็ปรารถนาจะแนะนําคนอื่นโดยฐานะบอกกล่าวกระทาให้ดูอะไรต่างๆเป็นตัวอย่าง แล้วจกไม่มีการเอ็เอียงทั้งเกยโดยทีบริษัทของพระสามมาสามภูดิเจ้าเนี่ยนะเป็นอุบาสกลุบาเสกาเนี่ยแม้ไปอยู่กับมิจฉาทิฏฐิก็เปลี่ยนใจมิจฉาทิฏฐิได้คือมีข้อมูลก่อน <c oughs> โดยมากเป็นคนฉล า, าดท่าเก็นไหมบริษัทของพระศาสดาเนี่ยมองสถานการณ์ขาดเมื่อไปอยู่ใกล้ใครเนี่ยต้องมั่นใจตัวเองก็ต้องเปลี่ยนเขาได้แต่ไม่ใช่เราไปเปลี่ยนตามเขาอันนี้ถือว่าแย่นะเป็นบริษัทที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเงี้ยเนะ คือไปแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้จริงนี่เป็นอย่างนี้จริงๆในบางกรณีเขาบอกว่าพอหนังสือเนี่ยจับไปหน้าเดียวก็จะง่วงหรือว่าไม่รู้เรื่องเลยอ๋อตรงนี้ก็ต้องใช้อุบายอื่นอุบายอื่นถ้า <c oughs> อยู่ๆบางทีไปให้เขาอ่านเลยเนี่ย <c oughs> เขาไม่มีศรัทธาเป้าหมายจริงๆ <c oughs> คือทาไง <c oughs> เขามีศรัทธา อย่าไปแนะนำเขาอ่านหนังสือแนะนําให้เขามีศรัทธาเขาใจะใช่ไหมว่าจริงๆตัวหลักที่จะไปอ่านหนังสือคือตัวศรัทธาความเชื่อมัน่นเราจะทํายังไงล่ะเราจะปลูกศรัทธาเขาเนี่ยถ้าคนไม่ชอบอ่านหนังสือเราเป็นยัดหนังสือให้เขาเลยเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมก็ใช้วิธีอื่นใช้วิธีอื่นแต่ตรงนี้นึกบอกว่ามันมันเฉพาะบุคคลเลยแล้วก็ต้องมีคือมันอย่างนี้ถ้าเรามองอย่างนี้นะ ไอ้เคลดของคนเนี่ยมันไม่ไม่ตรงกันจริงๆเขาเหมือนค้อนเหมือนค้องเ น, นี่ว่างั้นไอ้ลูกตัวโตเนี่ยมันมีมีดังอยู่จุดเดียวใช่ไหมตีมุมอื่นไม่ค่อยดังหรอกมันมันดังอยู่จุดเดียวแค่นั้นเนี่ยอันนี้เราหาเคลดก็ไม่เจอหมอหาเคร็ดเขไม่เจอตีตรงไงมันก็ผิดแต่ไปเดินเจอปุ๊บขึ้นมามืไหล่แต่เนี้ยโอชิชาแต่ว่าศาสดาสลายท่ารู้เลยนีน่คนนี้มีจุดบอดตรงเนี้ย ถ้ากดตรงนี้เรียบร้อยอยงเงี้ยนะภาษาสดาก็ น, นั่นนี่ยอย่างเราก็โหเล่นมั่วกันเลยตรงนี้จะต้องสังเกตฉะนั้นบริษัทของพุ้ทายาก็ต้องก็ต้องชัดเจนหมดหรือยังถ้าหมดแล้วก็จะได้ไม่มีใครถามแล้วใช่ั้มมีัห ม, มถ้าอย่างนั้นก็คือว่าอันนี้สรุปแล้วก็คือทานกุศล ให้นึกถึงรทานนบรมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทานนบรมีมาอย่างยาวไกลพระองค์เห็นอนิสงค์ของทานนบรมีในที่สุดจริงๆจากทานบารมีศีลเดชธรรปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาแล้วก็เวกขาพระศาสดาก็ได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมแล้วพระศาสดาก็มั่นใจ หลังจากที่พระ อ, องค์จะทิ้งขันธภ า, าระนั่นแหละมั่นใจพุทธบริษัทของท่านว่าภ ok ิกษุภิกษุณีบาศกุลบาศิกาจะตั้งมั่นจะเข้มแข็งในปริยัติศาสนาปฏิปฏัปิศาสนาและปฏิเวทศ า, าสนาเพือมั่นคงเมื่อพระ อ, องค์เชื่อมั่นในเราท่านทั้งหลายว่าจะนำพาใช่ไหมคือท่านเชื่อมั่นพวกเราบริษัทของท่านด้วยและท่านก็เชื่อมั่นว่า พระธรรมคำสอนที่อยู่ในฐานะของพระศ า, าสดานั้นเนี่ยจ ก, กิจศาสดาได้เห็น ไ, ไหมโดยผ่านพวกเราฉะนั้นมาณนะวันนี้โดยรูปอาขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระศ า, าสดาปรทิทิพานเห็นไหมกิเลสทิพานก็ที่ ต, ตายตนพระศรีมหาโพลวันวิสาขาบูชาเนีนะเดือน6กวันเพ็ญเดือนหขันทปริริพานก็ที่กุสินาราก็ปริธิทิพ า, านที่เราท่านทั้งหลายไปสักการะไปบูชา เคารพสถานที่เหล่านั้นพุทธเจดีต่างๆจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราถ้าบอกว่าในบรรดาปุถุชนทั้งหลายในชั้นของคำสอนก็บอกว่าบุคคลที่ศรัทธาพระผู้มีภาคเจ้ามากหนึ่งในนั้นคือพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยตอนที่อามาตจะไปแจ้งข่าวในตอนที่พระบรมศาสตราจักปรินิพานคิด แผนกันสามสี่ห้าชั้นหกชั้นเพราะรู้แน่ว่าพระศาสดาคือพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยรักพระศาสดามากตนเองเนี่ยนอนไม่หลับมาจากการทำปีตุคาตไอกรรมเนี่ยหลอกหลอนตลอดก็ได้อาศัยน้ำพระธรรมก่าวคือสามันผลสูตรที่พระศาสดาลาดลดให้ที่ชีวะการอภวันนั่นเลย ฉะนั้นสถานที่ตรงนั้นน่ยพระเจ้าชาติศัตรูก็มีความผูกพันด้วยและอย่างหนึ่งก็คือว่าก็มีความรักในพระาศาสดาที่ดับได้ไปเปิดเผยโทษกล่าวคือกรรมที่ตนเองได้กระทาล่วงเกินต่อพระาศาสดาในฐานะที่ไปทำอะไรไปทําปีาตุคาธทําไมล่วงเกินต่อพระาศาสดาไปตัดรอนชีวิตพุทธสาวกของพระาศาสดาเขาให้อริยาสาวกด้วย ฉะนั้นบาปเนี่ยกินใจมากไปทําลายพระริยะเขาให้อีกแล้วก็ทายาผู้นั้นก็เป็นบิดา ด, ด้วยบิ็นปีตุคาต์เขาให้ตนเองเดือดเนื้อร้อนใจนอนไม่ได้สักตลอดผวาตลอดใช่ไหมต่อมาที่ว่าหมอชีวกพาเข้าเฝ้าพระศ า, าสดานั่นแหละได้ฟังสามัญเป็นสวก็คือความสุขความสุขที่เกิดจากการที่ว่าได้เข้ามาสู่ในพระศ า, าสนา ได้เข้ามาบวชความสุขในการที่ได้รักษาศีลในปาติโมกสังวรศีลความสุขในการที่ได้บําเพ็ญอินทรีย์สังวรโภชนเนมะตันยุตาเป็นต้นสันโดสติสัมปชัญญาในฐานะเจสุขที่ได้จากปฐมฌานทุทาาน ต, นติยฌ า, านตติยฌ า, านเจตุติฌานนารุปฌานสุขในการได้เจริญวิปัสสนากรารมฐานเป็นต้นไปตามลําดับในสุดจริงๆสุขในระดับมรรคสุขและผลสุข พอได้ฟังได้รักแสดงงั้นน่ยตนเองก็สงบบาปได้สารภาพโทษได้ฟังพระธรรมน้อมเป็นอุบาสกคารพพระรัตนตรัยตั้งมั่นตลอดชีวิตนะฉะนั้นจึงมีความรักในพระบรมศาสดามากพระศาสดานั้นจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตของท่านไงต่อมาข่าวพระรินิพพานนั่นแหละ พอหลังสามเดือนที่พระบรมศาสดาประกาศแล้วก็ไปปรินิพานที่กุสินาราข่าวมาเร็วก็มาแจ้งว่าพระาศาสดาปรินิพานแล้วใช่ไหมปรินิพานแล้วพอมาบอกก็บอกว่าเราจะแจ้งยังไงก็เตรียมรางลางเหล็กไว้สามางใช้คองหอมแล้วก็บอกว่าทูลพระราชาบอกว่า พวกข้าพเจ้าเนี่ยจะทูลข่าวไม่เป็นมงคลนนใช่ไหมขอบขอเท่านะก็อบอกว่าให้ไป น, นอนใช่ไหมให้ไป น, นอนนีะนะ่และจะจะพอพอพอบอกนั่นแหละคือพอบอกปุ๊บเนี่ยสลบอะไฟของโทสะพอบอกว่าพระบรมศาสดาสามาสามบุรณเจ้าปริธานแล้วเนี่ย มีการทุบอกทุบตัวเองก่อนเบียเศษเนี่ยนถึงถึงรายงานเนี่ยรายงานเบียเศษเนี่ยก็สลบก็นั้นแล้วนอนใน ล, ลางก็เล่นน้ําเดือดแล้วเล่นอย่างนี้นะอันนี้บ่งบอกถึงอะไรโทมนัสมักวิสัญญีสลบก็ยกขึ้นมาใหม่พอฟื้นในนั้นก็มีสมุนไพรมีอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆก็สลบอย่างนั้นนสามครั้งพอสลบอย่างนั้นสามครั้งเนี่ยนะให้กรีทาทัพ เดินนะเดินแล้วก็ทบ อ, อกตัวเองไปแล้วก็กลิ้งลงแผ่นดินร้องไห้ทบ อ, อกแล้วก็กลิ้งบนแผ่นดินร้องไห้ไปเงี้ยเนี่ยความรักในภาษาสดาตัวเองว่าว่าภาษาสดาปฏิทิานคือถ้ามองอย่างในฐานะบุตรชนใช่ไหมก็หมดนะ่ยรู้อยู่ภาษาสดาบอกอะไรไว้แต่ความรู้สึกหมดเพราะบุตรชนเนี่ยการเข้าถึงภาษาสดายากเนี่ย เพราะเราไม่เห็นพระศาสดาโดยพระธรรมกายของท่านใช่ไหมโดยโลคุตระธรรมนั้นไม่เห็นเราเห็นโลคุตระธรรมว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็คือน่าปรารถนาน้อมจะเอามาเป็นอารมณ์แต่ยังไม่ได้เราเราต้องผูกจิตไว้กับนิพพานกับผูกจิตไว้กับอาริยมร์ว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าโอปัญยิโกควรประชุมน้อมเข้ามาสู่กระแสใจแต่ตอนนี้ไม่ได้อะ แต่ท่านผู้ที่ทําให้พระธรรมไหลออกจากพระโอษณนะไปนี่นี่ผ่านไปจริงๆโดยหลักการอย่างนั้นจริงๆถึงแม้พระบ ร, รมศาสดาว่าเราอยู่ในฐานะเป็นพระธรรมใช่ไหมจะทํากิจพระศาสดาแทนเราและไอ้ตรงเนี้ปุตุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสทั้งหลายเนี่ยถ้าพระศาสดาหายวับไปกระจายใช่ไหมใจก็หายกันก็ร้องฮะกรีธาทัพไปแต่ละเมืองต่างๆก็กีทัาไปก็อะนั่นแหล ะ, ะเผชิญหน้ากัน ถ้าถามบอกว่าในวันนั้นนะ่มะมาหืมมาไหมในวันที่กุศินารานั้นนะ่มะมหืมมาในยะว่า25โยชนะ่ะปริมณฑล น, นนะ่ะความที่ประชาชนหนาแ น, น่นนะ่ะต้องใช้กองทัพมายันกันเข้าไว้ใช่ไหมก็ดดูว่าทุกเมืองก็แทบจะเป็นเมืองล้างมีใครไหมที่ไม่ผูกใจไว้กับพระศาสดาของตนทุกคนก็อยากไปเฝ้า ก็ขนาดเราเป็นปุโรชชนที่ไม่ใ่เป็นพระอริยะอย่างนี้นะเรายังปราถนาไปเฝ้ า, าศาสดาถ้าเราไปเป็นพระอริยะกับเขาจิตจะเป็นไงกับภาษาศาสดาก็อันหนึ่งอันเดียวแล้วฉะนั้นความผูกพันในภาษาศาสดาของคนในยุคนั้นเนี่ยในยุคที่ภาษศาสดายังดํารงวัชนอยู่่จึงมากมายครับประมาณไม่ได้ถ้าเรานับว่าสาวัตีห้าสิบล้านเนี่ยเมืองอื่นไม่ต้องนับสิ เนะมืองอื่นที่พระศาสดาเนะี่ยถึงอยู่สาวสถีก็จริงนะออกเป็ษาสเสด็จที่อื่นนะโปรดที่อื่นไปทั่วนียนะเยอะแยะไปหมดเช่นมากมายมา ก, มากบรรลุ ก, กันเยอะแยะนั้นบุคคลเหล่านั้นถ้าเป็นพระยะเนะี่ยต่อให้ร้อย300ยอดสอ0ร้อยยอดสามร้อยยอดจะเป็นพันพันยอดเขาก็ต้องสเสบียงคล้องบ่าเขาต้องการไปเฝ้าศาสดาของเขากิจกรรมในการเฝ้าพราะบรมศาสดาที่กุศินารานะเป็นปีๆยังไม่เสร็จนะหลังจาก เสรวันแล้วแจกพระบรมสารีริกธาตุจากโทนาพามที่ไปกล่าวฉะนั้นถ้าเราเราเราสามารถดึงภาพในอดีตมาไว้ในใจเราได้เราจะเห็นทุกย่างก้าวในบริเวณนั้นน่ะบริเวณอย่างกว้างใหญ่มามาโหรานหมวกอมโหสามาหาสารเร า, า, าจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระอริยาสาวกนั้นน่ะตั้งแต่พระอรหันต์เป็นต้นเลยเต็มไปหมดที่ท่านบอกว่าพระสังฆเถระเจ 0,000 นนั่นแปลว่าพระเถระ ท่านเม่นับสัตทีวิหารลิกของท่านนั่นน่ะนั่นแหละไม่ต้องไม่ได้นับเนะยบางท่านอย่างพระอนนเนี่ยมีสัตทีวิหารลิกตเท่าไห้าร้อยห้าร้อยเป็นพันอย่างนี้แล้วก็นึกเอานะจากหัวหน้าหนึ่งแสนเออเจ็ดแสนแล้วที่ยังไปไม่ทันอีกเยอะใช่ไหมไปไม่ทันอีกมากเพราะว่าข่าวแค่สามเดือนเ่ยการสัญจรเดินทางก็ยาก ฉะนั้นไหลไปหลังจากนั้นเป็นปีๆนั่นแหละคือพระศ า, าสดาฉะนั้นคำว่าศ า, าสดาเอกของโลกเนี่ยการสูญเสียการปรินิพานนั้นน่ไม่ใช่แต่เทวดาไม่ใช่แต่พรมไม่ใช่แต่มนุษย์นาครุฑคนทันทั้งหลายต่างก็ใช่สะเทือนสถทานใจถ้าถามบอกว่าเอ๊ะทำไมว่าเราเราคิดถึงพิ่บองบอกเอามาต้องใช้คำบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ย เรารักศาสดาของตนเองน้อยไปนิดค ว, วนนนความรักตรงนั้นที่เป็นศรัทธาจริงๆอะหมอความรักตรงเนี้พุทธบริษัทนั้นไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกปลุกเลาให้คิดถึงพระศาสดาของตนเองว่าเป็นศาสดาเอกจริงๆและพระองค์มีความสําคัญจริงๆและพระธรรมของพระองค์นี่นำให้สามารถนำศาสตร์ให้พ้นจากวัฏฏะทุกข์ได้จริงเราได้มีโอกาสได้เพียรอุกฤษไม่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม แล้วก็ได้มีโอกาสน้อมนําในการที่จะประพฤติปฏิบัติขัดเก้าเนื้อประทำคำสอนแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการแสดงธรรมอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องขอมมทนานะกับบุคคลที่ตั้งใจที่จะทําแล้วก็จะทําต่อไปอย่างมุ่งมั่นเนี่ยไอ้่งนี้พวกเราก็ต้องก็ต้องคิดใช่ไหมในกรณีหการที่จะช่วยกันผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนในการที่จะทําให้พระบรมศาสดาได้ทํากิจของพระศาสดาใช่ไหมของท่านให้เต็มที่นะ ก็คือว่าให้พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องต า, ามอัธถาและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในการที่จะให้เข้าสู่กระแสจใจของพุทธบริษัทอันนั้นนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสร้างฮีตาประโยชน์ก็คือประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันนะประโยชน์ตนเราท่านทั้งหลายก็ต้องรีบเร่งเยอะเพราะว่าความเป็นอยู่ของชีวิตก็เรื่องเหลือน้อยลงมางั้นต่อไปก็สวดเจริญกุศลนะเนะี่ นึกถึงบารมีธรรมของพระสาสดา